1. นมุสาวาทวักสเปสัญญาสิขาบทว่าด้วยการกล่าวส่อเสียดเรื่องพระชัพคี 3. 6 ส, ส, สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพวกภิกษุฉัพคีไปยุแย่พวกภิกษุผู้บาทมางกันทะเลาะกันวิวาทกัน คือฟังเรื่องข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นเพื่อทําลายข้างนี้ฟังเรื่องข้างโน้นแล้วมาบอกข้างนี้เพื่อทําลายข้างโน้นด้วยเหตุนั้นความบาดหมางที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นและความบาดหมางที่เกิดขึ้นแล้วก็รุนแรงยิ่งขึ้นภิกษุผู้มักน้อยสันโดษจึงพากันตนําหนิประนามโพลธนาว่าชนัยพวกภิกษุชาวพัีจึงไปยุแย่พวกภิกษุผู้บาดหมางกันทะเลาะกันวิวาทกันคือ